ห้าจุดสี่พ่อแม่ทางโลกพ่อแม่ทางธรรมวงเล็บเปิดยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมสองพันห้า้อยห้าสิบจุดจุดนาทีสี่วงเล็บปิดเวลาเราภาวนาจนถึงธรรมะขั้นต้นนี่จิตใจเราจะเปลี่ยนไปมันจะมีความรู้สึกอบอุ่นเกิดขึ้นรู้สึกเหมือนที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนก่อนที่เราจะเข้าใจธรรมะนะเรารู้สึกว่าเรามีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องแต่พอใจเราเข้าถึงธรรมะแท้ๆนะ เราจะพบว่าเราเพิ่งกลับบ้านได้เรามาเจอพ่อเจอแม่ตัวจริงของเราแล้วพ่อแม่ในสังสารวัตรนี้มีจำนวนนับไม่ถ้วนแต่พ่อแม่ที่แท้จริงคือพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าวันใดที่ใจเราเข้าถึงธรรมนะเราจะรู้เลยว่าเราคือลูกของพระพุทธเจ้านะพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเราตายไปใจเราจะมีธรรมสังเวทสลดสังเวชแต่ถ้าครูบาอาจารย์ที่ให้ดวงตาเห็นธรรมกับเราตายลงนี่จะรู้สึกเหมือนลูกกำพร้าเลย ความรู้สึกมันจะถ่ายโอนไปหาครูบาอาจารย์ที่ให้ดวงตากับเราความรู้สึกของผู้ปฏิบัตินะครูบาอาจารย์เหมือนพ่อแม่ดังนั้นวัดป่าท่านจะเรียกครูอาจารย์ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มันเป็นการเรียกด้วยความรู้สึกแท้ออกมาจากใจแท้ๆของผู้ปฏิบัติแต่พวกเรารุ่นหลังๆได้ยินครูบาอาจารย์เรียกกันก็เรียกตามเรายังไม่ใช่ลูกท่านหรอกเป็นลูกนอกกฎหมายไม่ใช่ลูกจริงหรอก ทำไมถือว่าครูบาอาจารย์ที่สอนให้เราได้โสดาบันนี่เป็นพ่อแม่ก็เพราะว่าครูบาอาจารย์ที่สอนให้เราเป็นพระโสดาบันให้ดวงตากับเราทำให้เราได้เห็นธรรมส่วนพ่อแม่ที่ให้กำเนิดก็ให้อายตนะกับเราให้ตาหูจมูกลิ้นกายกับเราดังนั้นถือว่ามีบุญคุณมากพ่อแม่ทาให้เราได้เห็นโลกส่วนพ่อแม่ในทางธรรมก็ทาให้เราได้เห็นธรรมมีบุญคุณทั้งคู่นะ ไม่ใช่ว่าพ่อแม่ทางโลกไม่มีบุญคุณเดี๋ยวจะเนรคุณนะเพราะพ่อแม่ทางโลกให้เราได้ตาหูจมูกลิ้นกายส่วนใจเราหามาเองเราก็ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีไปสแสวงหาธรรมะดังนั้นนักปฏิบัติจะรักครูบาอาจารย์ที่ให้ดวงตาเห็นธรรมที่สุดเลยรูปไหนสอนให้เป็นพระอรหันต์นะยังไม่ทราบซึ้งเท่ากับที่สอนให้ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนอย่างพระสารีบุตรท่านซื่ อ, อท่านเป็นยอดกระตันยูเลย เวลาท่านนอนจะหันศีรษะไปทางพระอาสิชิเพราะท่านได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะพระอาสิชิไม่ได้หันไปทางพระพุทธเจ้าพระอื่นติเตียนแต่พระพุทธเจ้ายกย่องถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมคือเห็นความจริงแล้วเราจะเข้าสู่จุดที่ปลอดภัยการเดินทางในสังสารวัฏนี้ยาวนานมากนับพบนับชาติไม่ท้วนชาติใดที่ไม่เจอาศาสนาพุทธจะวางเวงความรู้สึกของผู้ปฏิบัติ จนคุ้นเคยที่จะปฏิบัติแล้วถ้าชาติใดไม่เจอศาสนาพุทธมันจะรู้สึกวังเวงใจชาติใดเจอธรรมะมันจะรู้สึกอบอุ่นจนกระทั่งเข้าถึงธรรมแล้วจะรู้สึกอบอุ่นตลอดแล้วเป็นลูกมีพ่อมีแม่ที่แท้จริงแต่ว่ายังเป็นลูกที่หลงอยู่นอกบ้านยังกลับบ้านไม่ได้วันใดที่เราสามารถปล่อยวางความยึดถือจิตแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าเรากลับมาบ้านแล้วบ้านที่มีพ่อแม่พี่น้องอยู่ครบเลยมีความอบอุ่นเต็มที่เลย ฉะนั้นเราเที่ยวสแสวงหาบ้านที่แท้จริงไปเรื่อยหลงไปบ้านคนอื่นเรื่อยๆหลงเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งหยุดการสแสวงหาแล้วเข้าใจถึงธรรมแท้ๆนะปล่อยวางความยึดถือจิตลงไปได้มันจะมีความรู้สึกเหมือนกลับบ้านได้แล้วการเดินทางระเหยเร่ร่อนในสังสารวัตรสิ้นสุดลงแล้วงานที่จะต้องทําทําเสร็จหมดแล้วงานที่จะต้องทําอย่างนี้อีกเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกไม่มีอีกแล้วจะรู้สึกอย่างนี้ ดังนั้นความรู้สึกของพระอริยบุคคลแต่ละชั้นแต่ละชั้นจะไม่เหมือนกันทีเดียวอย่างความรู้สึกของพระอนาคามีจะรู้สึกมีความสุขจิตใจมีความสุขหลายท่านเลยพอใจอยู่ตรงนี้หลวงปู่ดูลเคยบอกหลวงพ่อนะว่านักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงมากๆส่วนใหญ่มาหยุดหยุดที่ตรงนี้เองพอภาวนาจนกระทั่งใจมันเด่นดวงมีความสุขทั้งวันทั้งคืนก็พอใจไม่ไปต่อแล้วเพราะกว่าจะมาถึงจุดนี้นะ เหนื่อยมาเยอะแล้วก็เลยพักเสียหน่อยเหลืออีกนิดเดียวนะค้างอีกหน่อยก็ขอพักก่อนฉะนั้นพวกเราแต่ละคนนะตอนนี้เหมือนลูกกัมพร้าระเหเร่ร่อนหาพ่อแม่ไม่เจอพระเยซูบอกเหมือนลูกแกะใช่ไหมลูกแกะหลงฝูงความจริงไม่ใช่ลูกแกะหลงฝูงตัวเดียวนะมันคือฝูงลูกแกะที่หลงอยู่ระหว่างถูกเขาถลกหนังเอาไปถูกกินเนื้อตายแล้วตายอีกเวียนว่ายอยู่อย่างนั้นน่าสงสารที่สุดเลย